หลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดหลายวันตั้งแต่วันที่24ไปงานของหลวงปู่จามมหาปุญโยที่เป็นหลวงอาที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามบ้านห้วยสายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจนถึงวันที่28วันนี้แต่วันงานจริงๆวันที่27 แต่เริ่มงานวันที่ยี่สิบหกสวดมนต์ทำวัดเย็นมีพระทงหมดเกือบ5้าร้อยน่มากอยู่นะสี่ร้อยกว่าได้พระแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันตักบาตร ท, ทาบุญแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเป็นวันพระเป็นวันมาคบูชาหลวงพ่อคิดว่า ทีแรกก็จะมาแต่เมื่อวานเนี่ยพอจบงานแล้วก็จะมาแต่ดูแล้วคงจะไม่เหมาะก็เลยได้เคลียร์งานทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายหลวงพ่อก็ได้เคลียร์งานให้จบซะก่อนวันนี้เป็นวันเคลียร์งานแต่มันจบแต่เมื่อวานนนะ่ะเคลียร์งานแต่วันนี้พอมาถึงวันนี้เป็นวั น, น, น, วนพระเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยก็ต้องได้ลงอุโบสถที่นั่นก่อน คือพระวินัยของพระสงฆ์เนะี่ยถ้าว่าเราถึงวันอุโบสถสมมุติว่าอย่างที่วันอุโบสถบั้นห้วยทรายอย่างนี้นะสงฆ์กลุ่มนั้นสงฆ์กลุ่มใหญ่แล้วเราไม่ลงอุโบสถเรามาลงที่วัดของเรานะีกลับมาลงที่วัดของเราออกมาแต่เช้าก็มาทันลงอุโบสถที่วัดของเรานะพระวินัยท่านปรับอวบัดทุกกฎนะ ใ น, นพวกเราฟังเอาไว้คือหนีจากสงกลุปใหญ่ไปหากลุ่มเล็กเหมือนกับลังเกยียดสงกลุ่มนั้นไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมด้วยแล้วก็ไปลงอุโบสถในสงกลุ่มอืน่นในวันอุโบสถท่านปรับอบัตทุกกฎแก่พระสงฆ์ที่กระทำเช่นนั้นอันนี้ก็คือพระวินัยเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ลงอุโบสถก่อน ที่วัดหลวงปู่พอหลวงโบสดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยประชุมหาลือเก็บกับพระสงฆ์อีกที่คณะแม่งานทั้งหลายที่เป็นพระผู้ใหญ่ในถินนั้นปรึกษาปรารบกันงานที่มันขาดตกบกพร่องยังไงพอใจไม่พอใจยังไงงานคนมาอย่างนี้ในความคิดเห็นของพระสงฆ์ในท้องถิน่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพระจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกมาบ่ายสองโมงวันนี้มาถึงที่นี่6โมงหโมงเย็น ก, กว่าๆนี่แหละคือรำธุระแต่พอมาถึงแล้วก็พอที่จะลงมาศาลาได้ยูก็ได้ลงมานี่แหละวันมาฆบูชาวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันตอนบ่ายที่วัดป่าเวลุวันโดยที่ไม่ได้นัดแนะพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหิพิกคุเอหิพิคุก็คือพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทุกองเอหิพิกคุก็คือผู้ที่เขามาบวช อยากจะบวชฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาเคารพเรื่มใสอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะบวชแสดงความจำวงว่าอยากจะบวชพระพุทธเจ้าท่านก็ตรวจตราดูว่าจะบวชได้ไหมคนคนนี้เขาได้ทำบุญกับบริขารเคยถวายบริขารมาไหมในอดีตชาติ พอเออเขามีบุญวาสนาบารมีพอเนยพระพุทธเจ้าท่านก็บวชว่าเอหิภิกขุท่านก็บอกเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเราบัญญัติไว้ดีแล้วให้มาเป็นภิกษุเถิดพระพุทธเจ้าตรัสจบเพียงแค่นั้นองค์นั้นก็ได้เป็นพระภิกษุบริขารลอยมาคงจะเป็นเทวดาหรือว่า ลอยมาในอากาศมากระบวดในเดี่ยวนั้นเลยก็เป็นพระภิกษุแต่ถ้าว่าองค์ใดอย่างพระพาหิยะยนีน่ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศจบให้ฟังแล้วแต่พระพุทธองค์ได้มองดูในอดีตชาติคือพระพาหิยะนี่ไม่ได้ขนขวายในบริขารของหมู่ของเพื่อน พอได้มาแล้วก็ใช้ตัวเองแล้วก็จบไม่ได้นขนไควไม่ได้หาช่วยเหลือบริขารของผู้อื่นทั้งที่บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนถึงสองหมื่นปียังบวชในศาสานาของพระพุทธเจ้ากัจจปะท่านก็ไม่ได้ขนขวายไม่ได้คิดเรื่องอัถบริขารให้แก่พระสงฆ์หมู่ปกเพื่อนเพราะได้มา ในชาตินี้ที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังในกรุงสาวัตถีในถนนเร็วงั้นท่าพอเทศจบแล้วพระพุทธองค์ก็มองดูอดีตชาติของพระพาหิยะพาหิยะนี่เขามีบุญวาสนาบา ร, รมีไหมที่จะได้บวชเอหีพิ ข, ขุท่านดูแล้วไม่ ม, ไ ม, ม, รรมีไม่มีบารมีไม่มีบุญไม่เคย ช่วยเหลือเจือจานหมู่พวกเพื่อนมาก่อนพระองค์ว่าพาหิยะเธอจงไปแสวงหาบริขารให้ครบซะก่อนค่อยบวชนะพาหิยะนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ว่าจะมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่นะเป็นบุญบา ร, รมีของแต่และองค์ถ้าใครไม่มีบุญไม่เคยสั่งสมบา ร, รมีมาก่อนท่านก็เรียกไม่ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิ์มีพร้อมทุกอย่างก็จะเรียกอัฐบริขารมาให้พร้อมไม่ใช่ต้องผู้นั้นต้องมีบุญด้วยแล้วก็บพระพุทธเจ้าได้เจอพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกเอหีพิคุพระองค์นั้นจึงได้บริขารลอยมาอันนี้พระพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าเรียก เอหิพิคุบเมื่อพร้อมแล้วที่จะบวชแล้วฟังทำรรได้สําเร็จบางท่านก็นได้สําเร็จพระโสดาภัศกตาการนาคาพระอรหันต์อย่างพระโกนทัญยะโกนทัญยะพอท่านได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพอได้ฟังทำพ ร, รมมะเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบัน พอได้สมเดชพระโสดบันก็ขอกราบพระพุทธเจ้าขอบวชพระพุทธเจ้าก็ได้เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติผมมาจย์เถิดอัญญาโกณทัญนย่า ก, ก็เป็นพระในเดี่ยวนั้นเลยนี่แหละคืออันนี้คือบวชเอหิภิกขุในพระพันสองรอยห้าสิบรูปนี่ก็ บวชเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้ากล่าวเอหิปิกุทั้งหมดจากนั้นท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ท่านมีญาณทัศนะเป็นรู้เป็นที่แตกฉันในปฏิสัมพิธายานทั้งหลายคือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิตต์พูดง่ายๆมีหูทิพมีตาทิพเหาะเหินเดินฟ้าได้พระอาหารหันต์พันสห้าสิบรูป พอพระพุทธองค์เออพระสงฆ์ทั้งหลายใหมาไปชุมพร้อมกันเนอะวันนี้เราจะบัญญัติวินัยเราจะกล่าวโอวาทปฏิโมกแล้วก็จะบัญญัติวินัยปกครองสงเหมือนกับท่านทุกวันนี้ก็เหมือนกับมีโทรศัพท์ติดตัวลักษณะอย่างนั้นแ่ะหรือวิทยุติดตัวอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้านึกพระสงฆ์เหล่านั้นก็รับได้เลยท่านก็มาพร้อมกันในเวลาบ่าย ที่วัดป่าเวรุวันกรณปุตตะจากนั้นพระองค์ก็ได้กล่าวโอวาทปฏิโมกให้แก่พระสงฆ์ได้ฟังสัปปะปาปัสสะาการนัง่งการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุสรัตสูปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจตปริโยรปานัง การทำจิตชำระจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานศสาสนังนี้แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสคือสสามบาทพระคาถาเรียกว่าสามความหมายการไม่ทำบาปทั้งปวงกายกรรมวจีกรมมโนกรรมไม่คิดไปในทางบาป ไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปดาสิ่งไหนที่เป็นกุศลช่วยเหลือเจือจานทานศีลภาวนาทําบําเพ็ญกุศลกายกรรมวจีกล่ำ ม, มโนกล่มเป็นในทางกุศลอันนี้ว่ากุศลสูปสัมปดาน้อมจิตไปในทางกุศลไม่ทําบาปอันนี้ก็สัจจตปริโยร์ปานัง มแค่ว่าภาวนาชำระกิเลสภายในใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้หมดจดจากกิเลสได้นี่แหละเอต่างพุทธานัสสาสนังอันนี้แหละคือเป็นธรรมที่พระพุเทธเจ้าได้สอนได้ตรัสในวันนั้นสรุปแล้วคือธรรมคาสอนของพระพุเทธเจ้าไม่มากถ้าจะว่าไปแล้วเพียงสามข้อไม่ทําบาปและก็ให้ทําบุญน่ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หนึ่งจบเพียงแค่นั้นแต่พูดนะพูดง่ายนะแต่ว่าจะ ก, กระทาไปนะไม่ใช่ของง่ายเลยวงั้นเพียงสามประคาถาเนี่ยสามบทสามบาทเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้บัญญัติจากนั้นท่านก็บัญญัติเกี่ยวกับวินัยให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติคือวางกฎเกณฑ์วางกฎรัชธรรมนโนว่าภิกษุควรทำยังไง ท่านก็ให้สวดพระปฏิโมกเป็นเบื้องตน้นแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลายเรียนสวดพระปฏิโมกพระพุทธองค์เป็นองค์สวดพระปฏิโมกก่อนนะสวดมาไม่รู้านานเท่าไหร่ท่านก็ไม่ได้พูดในพนพิันเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งพอถึงวันอุโบสถพระพุทธองค์เป็นผู้สวดพระปฏิโมกให้แก่พระสงฆ์ได้ฟังได้ศึกษาและก็จะนมาสวด ต่อไปพอสวดมาครั้งหนึ่งพระสงฆ์ในครั้งนู้นคนยังมีกิเลสก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสกทาคาอนาคาอันนั้นแปลว่าท่านจะไม่ทํากล้ำชั่วทางกายทางวาจาท่านจะไม่ล่วงละเมิดในการคิดการพูดการกระทําของท่านแต่ยังไม่ถึงพระอริยะยังไม่ถึงพระโสดาบัน พระสงฆ์บางองค์บางรูปก็ทำความชั่วเสียหายขึ้นในยุคสมัยนั้นแต่ได้มีพระองค์หนึ่งล่วงละเมิดพระวินยัยแต่ท่านก็บอก่มไม่รู้ว่าละเมิดหนักขนาดไหนแต่ว่าไม่เคารพในวินยัยเขาบ่าเป็นผู้ไม่อยู่ในพ่อวินยัยไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของพ่อวินยัย ทนพระพุทธองค์พอประชุมสง์กลุ่มใหญ่พอเข้ามาในวิหารพอเขามาในวิหารแล้วพระองค์ก็นั่งตั้งแต่หัวค่ำนั่งนิ่งวันนี้เป็นวันอุโบสถพอพระสงฆ์พร้อมแล้วก็ตามปกติพระพุทธองค์ก็จะแสดงพระปฏิโมกข์ในถ้ำกลางสงให้พระสงฆ์ได้ฟังแล้วก็ได้นําไปศึกษาพอเป็นภาษาเดียวกันเหมือนกับเราท่องนวโกวาต์กันนั้นอ่ะ วินัยบัญญัติเหมือนท่องกฎหมายอย่างนั้นะพูดเป็นกฎหมายเป็นข้อก็เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อพระสงฆ์ก็ได้นำจำได้ง่ายตอนนี้พระพุทธองค์ก็เป็นผู้นำกล่าวเกี่ยวกับพระวินัยให้แก่พระสงฆ์ได้ศึกษาต่อมามีพระภิกษุไม่เคารพในวินัยให้เข า, าร่วงละเมิดในวินัยแต่ไม่ได้แสดงบริสุทธิ์ เข้ามาฟังพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์พระพุทธองค์พอจะเข้าไปนั่งในถ้ำกลางสงฆ์ที่จะสวดพระปฏิโมกไให้พระสงฆ์ได้ศึกษาท่านก็ตรวจตราดูพระสงฆ์ที่มาร่วมประชุมวันนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลหรือไม่ท่านก็รู้ในยานทัศนะของพระพุทธเจ้า เร็วยิ่งกว่าเครื่องเลดาจับอีกต่างหากว่างั้นท่านก็มองเห็นพระองค์หนึ่งไม่บริสุทธิ์ในสิ่งพระพุทธองค์กนิ่งไม่สวดพระปฏิโมกเพราะว่าถ้าสวดไปนี่ตัสมาตุหีท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแ์แล้วนแะล้วนะจิงอยู่ในความสงบคือคือความนิ่งในการสวดจบแต่ละกลุ่มอาบัติอาบัติพอจบปาราชิกนี่ก็ต้องวา ตัตสมาตุนหีเอวะเมตังธารยามิพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจึงอยู่ในอาการนิ่งข้าพเจ้าจําว่าพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วและกรสวดหมวดอื่นต่อไปพอจบแต่ละหมวดตัตสมาตุนหีเอวะเมตังธารยามิข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วจึงอยู่ในอาการนิ่งและกรสวดบทอื่นต่อไป แต่นี้พระพุทธองค์ท่านรู้ว่าพระองค์นั้นไม่บริสุทธิ์ในศีลแต่นั่งอยู่ในถ้ำกลางสงพระธองค์ไม่สวดพระปฏิโมกตอนหัวคําพระอานน์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขาพระสงฆ์ที่มาพระสงฆ์พร้อมแล้วพระเจ้าขาขอพระองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกตทรงสวดพระปฏิโมกได้แล้วพระเจ้าขา แต่พระพุทธองค์นั่งนิ่งไม่พูดอะไรพอถึงเที่ยงคืนอีกพอมันดึกสงัดเที่ยงคืนแล้วพระอนุนก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกว่าพระสงฆ์พร้อมแล้วไปเจ้าขะขอพระองค์ทรงแสดงพระปฏิโมกข์พระองค์ก็นิ่งอีกไม่แสดงเพราะพระองค์รู้เลย ว, ว่าพระในพระที่มานั่งอยู่เนี่ยไม่บริสุทธิ์ในศีล ถ้าสวดไปก็ท่านก็รู้ทั้งรู้แล้วก็พระองค์นั้นอีกจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าท่านจะไม่โกหกใครท่านตรงไปตรงมาท่านเป็นธรรมบริสุทธิ์ทุกอย่างแต่มันฆ่ะเขาด้วยพระที่ไม่มีศีลพอถึงจวนสว่างพระอนุกักรกาบทูลพระพุทธเจ้าวะพระพุทธเจ้าค่ะนี่จวนสว่างแล้ว ขอพระ อ, องค์ทรงแสดงพระปฏิโมก์เถิดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสขึ้นมาว่าสงในบริสัทที่นั่งอยู่ในขณะนี้ไม่บริสุทธิ์ในสิน่งเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าพระที่ไม่บริสุทธิ์ในสิลเราจะไม่แสดงพระปฏิโมก์ในพระภิกษุที่ไม่บริสุทธิ์ในในสิลจากนั้นพระโมคคลาที่เป็นอ克拉สาวกทาง ด้านซ้ายท่านเป็นผู้มีฤทิตอีกท่านก็ประกาศว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายองค์ไหนที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลท่านคงรู้ด้วยได้ด้วยตนเองให้ท่านลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ให้ท่านออกไปประกาศถึงสามครั้งไม่มีองค์ไหนขยับเขยือนพระโมกคลาท่านก็เลยเข้าฌานของท่านเลยท่นตรวจตาเหมือนกับปลดเครื่องเลดาออกมาอะไรท่านนี้ เปิดปล ด, เ, ปดเครื่องเลด้าวมาก็บจ่อไปเล ย, ยงั้นองค์ไหนบางองค์ไหนวะท่านก็รู้แหละองค์ที่ประกาศออกไปเนี่ยคอหดอย่งนั้นเน่ยไม่ยอมเพราะโมกคาลาได้เดินเข้าไปเป็นลากแขนออกไปพอออกไปนอกประตูแล้วก็ปิดประตูปติประตูไม่ให้เข้ามาองค์ที่ไม่บริสุทธิ์ในศีลจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงพระปฏิโมกพอแสดงพระปฏิโมกจบแล้วพระพุทธองค์บอกว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่แสดงพระปฏิโมกอีกให้พวกท่านทั้งหลายแสดงไปเถอะเพราะว่าพระที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลนั้นจะมีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะนั้นเราตถาคต ร, รู้ว่าพระที่ไม่บริรสุทธิ์ในศีลแล้วเราแสดงพระปฏิโมกไม่สมควรอย่างยิ่งตั้งแต่บัดนั้นมา พระพุทธองค์ก็ไม่ได้แสดงพระปฏิโมกอีกเลยก็ให้พระสงฆ์เป็นผู้แสดงพระปฏิโมกมาอันนี้ก็คือความเป็นมาในพระไตรปิฎกนะแต่จะได้มาพูดเกี่ยวกับทำพื้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวิในท่านบัญญัติอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกท่านก็บอกท่านบัญญัติอยู่ที่เมืองเนรัญชาราเมืองที่พระพุทธองค์ได้จําพรรษาที่ว่าพราหมณ์ อากาศปรารถนาภิกษุสงฆ์ห้าร้อยพร้อมกับพระพุทธองค์แล้วลืมลืมพระพุทธองค์พราะเขามีภาระทุรามากเมืองเนรัญชาในยุคนั้นเป็นเมืองที่เข้ายากมากแพงครัว่าอดอยากว่า ง, งั้นเถอะฝนไม่ตกถูกต้องฝนไม่ตกตามฤดูกาลคนตายมากพระสงฆ์ทั้งห้าร้อยจำพรรษาและไปที่ไหนก็ไม่ได้ได้ทานอาหารกับพวกพ่อค้ามา้าพ่อค้าม้าเขา ม้าม า, มาขายแล้วเขาก็เลยเอาข้าวนียข้าวแบบข้าวม้าเหมือนกันแหะพระนรินปดใสหินย่าสมัยก่อนไม่มีพบวิ น, ยนัยยังไม่ได้มีอะไรปดหินเอาทั้งเปลือกมากิ น, น, กนทั้งเปลือกกินทั้งเม็ดพระสงฆ์เหล่านั้นก่อนนะั่นแหละได้คนรัตนานทานานกินข้าวกับพวกพวก่อค้ามา้าถวายพระสงฆ์เพื่ออยู่ได้เป็นวั น, วน อันนี้ก็คือท่านอยู่ด้วยความยากลาบากแต่นี้คนที่อยู่ยากลาบากบางคนก็มันหาทางออกไปในทางที่ไปถูกได้แต่ไหนสงฆ์บางกลุ่มเห็นว่าตัวเองลาบากก็ไปพูดให้โ ย, โยงมฟังอย่างว่าสิกขาบทที่ปาราชิกข้อสุดท้ายอดอุตริมนุสธรรมพออดขึ้นมาอยู่ด้วยกันก็อวดให้โยงมฟังแตทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหัน บอกนะี่องคุมนะั้นน่ะท่านเป็นพระรหันต์นะหมดกิเลสนะพวกใดไปทําบุญทําทานกับท่านน่ะโอ้บุญกุศลมากเนื้อนาบุญที่ดีศรัทธาญาโจมก็ไปทําบุญ่ะผลที่สุดก็นะ่ะกินนํากันกินด้วยกันเหมือนกันเถอะพอองค์นั้นได้แล้วก็แบ่งองค์นี้แล้วก็องค์นั้นก็มาย่ององค์นี้ยกย่องกันเหมือนกนเถอะให้ศรัทธาญาโจมเริ่มใ ส, ส่ศรัทธา แต่พระสงฆ์กลุ่มอื่นเนี่ยผอมโกกหมดว่างนันเถอะไม่มีอาหารแต่พวกสงฆ์กลุ่มนี้เนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อไปกลับไปกรุงสาวัรถีแล้วพระพุทธองค์อา้าพวกท่านทั้งหลายมาจากเนรัญชาทําไมอ้วนท้วนสมบูรณ์พระสงฆ์เหล่านี้ก็พูดให้ฟังเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติวนะินัยพอพูดขึ้นมาพระองค์โอ้ไม่ได้อันนี้คือโกหกอย่างรุนแรงที่สุด พระพุทธองค์ก็ได้บัญญัติวินัยขึ้นมานี่แหละสาเหตุความอดอยากความอดอยากเนี่ยมันไปทั่วมันไปได้ทุกทุกอย่างนะโกหกคนก็ไดเ้เพราะมันความอดอยากเอาตัวรอดมางั้นเท่มพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยภิกษุใดก็ตามวดอุตริมนุษย์ชธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอาบัติอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าออกมาจาก เมืองเนรัญทราเหมือนกันแต่ทีนี้คณะที่จําพรรษาที่เมืองเนรัญทราพวกนิคนนาตบุตรมรณะภาพคือต้นศาสนาคือศาสนาหนึ่งมีสมัยนั้นมีมนนมหกศาสนาที่แข่งกันในเมืองอินเดียในยุคสมัยนั้นแข่งกันแปลว่าแข่งแข่งใหญ่แล้วงั้นเถอะใครก็ว่าใครเก่งแล้วงั้นเถอะทีนี้พอนิคน นัตบุตรตายมรณะภาพลงลูกศิษย์แตกกันชลุผูภยัยใครก็ว่าใครเป็นลูกศิษย์ของนิครนมิคนพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นผลที่สุขต่างคนก็ต่างตีความหมายที่ตีคากล่าวคาสอนเข้ามาหาข้างตัวเองผลที่สุขกเลยแตกกันพ่อแตกกันน้องภาษาริบุตรพระปุณ น, นะบอ หรือพระอะไรที่เป็นน้องชายภาษาลิบุตรก็เลยมาปารบกันว่าศาสนาอื่น เ, นเวลาครูบาอาจารย์ร่วงลับดับผันไปทําให้ลูกศิษย์แตกกันจะทํอยังไงจึงจะให้ศาสนาพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นยืดยาวนานจะทํอยังไงเลยมาถามกราบภาษาริบุตรที่เป็นพี่ชายภาษาลิบุตรก็ได้ไปกราบพาไปกราบพระพุทธเจ้า ราษาลิบุตรกราบทูลพุทธเจ้าวะาศาสนาจะอยู่ได้นานด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าข่าเพระพุทธองค์บอกว่าต้องรวบรวมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราล่วงลับไปแล้วศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นาศาสนาของพวกท่านทั้งหลาย ถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลไม่มีวินัยศาสนาก็หมดในในเดี๋ยวนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นพระสารีบุตรประถามว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนมีองค์ไหนบ้างที่ศาสนาสั้นมากไม่นานพระพุทธองค์บอกว่าศาสนาของสีขีพระพุทธเจ้าสีขีเวทชพู มีอยู่สามองค์ศาสนามไม่ได้อยู่นานเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วศาสนาก็หมดภาษาลิบุตรก็ถามว่าทำไมจึงหมดเร็วพระเจ้าค่าเพราะท่านไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่แนะนำสั่งสอนให้คนถึงอัดถึง ร, รมเสร็จแล้วท่านก็เออเอาจบก็จบพอจากนั้นท่านก็ปรินิพานพอปรินิพานแล้วภาษาวกก็ไม่ได ประกาศไปอีกไม่ได้นานเพราะไม่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะบัญญัติไม่กฎเกณฑ์ที่จะลงพระปฏิมโมกไม่มีพระทรงเหล่านั้นก็สอนเท่าที่จะสอนได้จากนั้นก็พุทธศาสนาก็หมดเร็วภาษารโบรก็ถามว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนในอดีตพระเจ้าข่าที่ว่าอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่า ก, กุชันโธโกณคมโมกัจโโปรสามพระพุทธเจ้านี่ได้วางาศาสนาในวางกฎระเบียบเอาไว้าศาสนาของสามองค์นี่ยาวนานภาษาไรโบตรก็กราบทูลถามีว่าการที่าศาสนาเยอะยาว น, นนะัานท่านท่านทําอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าท่านจัดวินยัยจัดทําวินัยให้เป็นหมวดหมู่ คือทำวินัยให้เป็นหมวดหมู่อันไหนคือพระวินยัยอันไหนคือพระสูตรอันไหนคือพระอภิธรรมจัดให้เป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่จากนั้นก็วางศาสนาเอาไว้ต่างคนต่างท่องบนสาธยายรักษาแต่ละกลุ่มแต่ละคณะตอนนี้พระสารีบุตรก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์จงจัดกลุ่มวินัยให้เป็นหมวดหมวดหมู่ด้วยเทินพระเจ้าข่า เพื่อจะได้พระพุทธศาสนาจะดำรงไว้ยาวนานนี่แหละคือต้นเหตุนะต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยหลักธรรมวินัยในยุคสมัยนั่นก็คือปรารบอยู่ที่เมืองเวรันชราแต่ท่านมาเปรียบเทียบอีกครั้งว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะอายุของพระพุทธเจ้ากัสจปะ ยืนถึงสองหมืปีเมื่อพระพุทธเจ้าปจัจสปะท่านถึงอย่างไงท่านยังวางศาสนาวางวินัยเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าเองก็ยืนอายุยืนสองหมืปีลูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ได้บรรลุธรรมในเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ากัสจปะยังทรงพระชนอยู่ท่านก็อายุยืนไปอีก เกือบหมื่นปีสองหมื่นปีจะรย์สอนสิทธิ์อีกแล้ท่านก็สอนอีกเพราะฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะปะสองชั่วอายุคนนี่ก็ป่าเข้าไปเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นปีแล้วเข้ามาแล้วเพราะนั้นอายุของท่านอยู่แต่พระพุทธเจ้าของเราอายุร้อยปีเป็นอายุไขถ้าว่าไม่ได้วางวินัยเอาไว้ให้รัดกลุ่มพอพระพุทธเจ้าพระนิพพาน และก็สงที่เป็นทายาทสืบทอดก็ไปอีกร้อยปีถ้าไม่รักษาวินัยให้ดีไม่มีกลุ่มไม่มีหมวดหมู่จริงๆก็พูดจ่อต่อปากกันเฉยๆก็อีกร้อยปีก็เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะไม่นานเพราเห็นไดสองสามร้อยปีก็หมดละเพราะ ไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้บัญญัติวินยัยจึงได้บัญญัติให้เป็นหมวดหมู่แปลว่าพระไตรไตรแปลว่าตักกะแต่ว่าสมัยยุคก่อนท่านว่าทำวินัยเท่านั้นเองพอมายุคหลังในท่านก็ว่าพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมในพระอภิธรรมท่านเกี่ยวกับธรรมะแนวนึกคิดทางด้านจิตใจท่านก็ยก ที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหล่ยวเทวดาที่เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าท่านท่านเกิดอยู่ที่ชั้นรู้สิทธิ์แต่พระพุทธองค์ได้ขึ้นไปชั้นดาวดึงมารดาของท่านนางสิริมห า, มายาแล้วก็ลงมาฟังธรรมเทศนาอยู่ที่ชั้นดาวดึงพระองค์ในพรรษานั้นพระองค์ขึ้นไปเทศ พระอภิธรรมที่ชั้นดาวดึงสามเดือนโปรดพระมารดาอันนี้ก็คือเอาตัวนั้นเอาพระปรมาธรรมหรือว่าอภิธรรมนั่นะเอามาบัญญัติขึ้นมาอีกพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆพระวินยัยคื อ, ค อ, คอกฎระเบียบพระอภิธรรมก็คือแนวความคิดแนวความคิดนึกคิดอะไรกุศลธรรมมาจิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมา จิตที่เป็นอกุศลจิตที่คิดไปนในทางชั่วอัพยาคตาธรรมมาจิต ท, ที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญจิต ท, ที่เป็นกลางแล้วว่าอัพยาคตาธรรมมานีอันนี้แหะคือแนวความคิดในทางด้านจิตใจในพระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้คือเกี่ยวกับวิในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไวใ้ให้พระสงฆ์ เป็นนําประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไม่รักษาวินยัยไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยไม่มีศีลพระนุ่งกางเกงซะไม่ได้ประพฤติตามหลักธรรมวินยัยศาสนาของพุทธะก็หมดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระวินัยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้เคารพวินัย ให้เป็นผู้มีศีลคิดอะไรโพดอะไรให้ดูพระวินัยจะ ก, กระทําสิ่งไหนก็ให้ดูวินัยวินัยก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญัดไว้ศีลสองอยี่สิเจ็ดนั้นมีอะไรและศีลอภิสมาจา์นอกจากศีลพระปฏิโมกนั้นมีอะไรบ้างอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นมาอย่างที่ ว, วันนี้ผม ยังไม่ได้ลงอุโบสถในสงฆ์กลุ่มใหญ่ผมมาออกจากสงฆ์กลุ่มนั้นมาในพระวินยัยท่านบอกบัญญัติปรับอวัตทุ ก, กฎเพราะเหตุไรเพราะว่าต่อไปเหมือนกระทำให้สงฆ์แตกแยกทำให้ตัวเองจะไปที่ไหนก็ไปพระสงฆ์ถ้าไม่พอใจในสงฆ์กลุ่มนั้นก็หนีออกมาเลยแล้วก็ต่อไปก็เห็นไหมองค์น้พระ กลุ่มนี้ไม่ลงอุโบสถร่วมกลุ่มนั้นผลที่สุดก็เป็นการแตกแยกนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติพี่ น, นอันนี้ศินอภิสมาจาร์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเมื่อถึงวันอุโบสถจะต้องลงอุโบสถก่อนจะไปที่ไหนถ้าไม่ลงอุโบสถก่อนปราบบัตรทกกฎเว้นเสียแต่สิ่งจําเป็นที่เราไปแล้วไม่มีวัดจุดนั้นเราก็ไปหากลุ่มใหญ่ไปลงอุโบสถในพระสงฆ์กลุ่มใหญ่ ได้ไม่เป็นอาบัติอันนี้แหละคือพระวินัยวันนี้ลุงพ่อได้ปาลบวินัยให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพระวินัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกับกฎหมายปกครองบ้านเมืองมีมาตราไม่รู้ว่ากี่มาตราอันนี้ก็เหมือนกันพระวินัยของพระสงฆ์นี่ก็ที่บัญญัติ 227ร้อยัี่สิบ็ดข้อ น, นั้นคือศินมาในพระปฏิโมกที่พวกเราสวดในวันนี้แล้วก็ศิลอภิสมอาจารย์มีมากคือกฎระเบียบรวนแล้วแต่ให้พระสงฆ์อยู่ด้วยความสงบพร้มเย็นผาสุขตาองค์ไหนไม่อยู่ในกรอบของพระวินัยพระองค์ก็ประดาม่านองค์นี้เป็นพระ มาราชิตาผู้ไม่มียางอายผู้ไม่มีฮิริอ ต, ตปาเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามระบอกกล่าวประนามองค์ที่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าองค์ไหนอยู่สัมรวมในศีลในวิ น, นัยท่านก็บว่าเนี่ยองค์นี้แหละเป็นสักกาบุตรบุตรของเราตถาคตถึงจะพวกเราเป็นลูกตาชีตาสาตามีตามาลูกเฉลี่ยเฉนาพระพุทธโอกรยอมรับเพราะความประพฤติ พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระพุทธองค์ยอมรับว่าเป็นนี้คือบุตรของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพวกเราได้บวชมาในพระพุทธศาสนาถึงจะฉุดท้ายปลายแดนเราก็ยังภาคภูมิใจว่าเราได้เป็นลูกของพระพุทธเจา้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าออกนอกลูก่นอกทางถ้าเป็น สิ่งที่ว่ามันผิดแล้วนะอย่าไปลิทมอย่าไปลิคิดอย่าไปลิพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เคารพในหลักพระธรรมวินยัยนั่นแหละถ้าพวกเราตั้งใจมุ่งมั่นอย่างนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความสบายใจแต่ถ้าว่าพวกเรากระทำออกไปตามมัทธาใจ อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคิดตามอำเภอใจนั้นอำเภอใจของเราเนี่ยโดยมากมันจะไปทางต่ำไปทางกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นผู้พานำไปเพราะนั้นเราต้องยึดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้อย่างไรพวกเราก็ให้ยึดตามแนวแถวของพุทธ เดือตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดําเนินมานั่นแหละพวกเราจะประสบความสุขความเย็นใจอันนี้คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิอันนั้นคือแนวความเรื่องของทางด้านจิตใจเรื่องแนวความคิดพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้ามาบวชพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าให้พระอุปชาสอน คุณระบุที่เขามาบวชเกซาโลมาณนะ่าทันตาตาโจอันนี้คือให้กรรมฐานให้กรรมฐานก่อนห้าอย่างเกสาผมโลมาขนนะขาเลบทันตาฟันตะโจหนังให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นตามสภาพคนเราเนี่ยถ้าตายไปแล้วถลกหนังออกไปแล้วเป็นยังไงสําแหละแล้วก็ดึงหนังออกมากองเอาไว้ แล้วเป็นยังไงเรามีหนังไหมมีถ้าจำแหลกหนังออกมาแล้วก็มีแต่ร่างกายมีแต่เนื้ออนะไรจากนั้นคือำแหละเนื้อออกไปมีเอ็นมีกระดูกทุกข้างในให้เห็นตามความเป็นจริงมนุษย์ของเราน่ยมันหลงหลงอะไรถ้ามันหลงกายถ้าไม่หลงกายแล้วไม่มีอันจะหลงถ้ามันหลงกายซะก่อนมันหลงไปหมดทุกอย่างหลงหญิงหลงชาย หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงเงินคาทรัพย์สมบัติหลงเลือกสวนไร่นาหลงที่พักพาอาศัยเครื่องนุ่งหม่มหลงปัจใจสี่สรุปแล้วหลงไปหมดเพราะเหตุไรเพราะหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นของจิตรังทาวรเป็นของเราแต่ตามไม่จริงร่างกายมิใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งแต่ตายสลายแน่ มันไม่จีรังถาวรถึงจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแนวความคิดให้แก่สากยบุตรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทวกๆูกองนะผมสอนแล้วบอกอีกว่าเรื่องภาวนาทำจิตใจให้สงบนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับพระ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยพวกเราก็นอนมาหลายปีหลายเดือนพอแรงแล้วแต่วันนี้เราเสียสละเราจะไม่นอนจะเดินยกลมอยสิเดินทั้งคืนทดลองหยสินั่งทั้งคืนทดลองนสิหรือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งตรอดคืนหนอสิคืนเนียเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เราการทำความภาคเพียนของเราเนี่ยเราจะไปทำตามปกติอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีวันตรึงวันจอนวันเอาจริงเอาจังวันเอาจริงเอาจังก็มีวันพักผ่อนก็มีไม่ใช่ว่าทำวันพักผ่อนไปเรื่อยไม่มีวันจริงจังซะเลยอันนั้นจะไม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยหนุ่มทั้งหลาย ควรจะเล่นความเพียรในขณะที่เรายังเป็นพระน้อยพระหนุ่มเนี่ะจะได้รู้จักเอา้าในคืนนี้ข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะไม่ให้มันหลงเลยจะไม่ให้มันลืมเลยจะให้มีสติสัมปชัญญะทุกอริยาบทยืนเดินนั่งเนี่ยหรือข้าพเจ้าจะกาหนดจะไม่ให้มันเลิเผอจะไม่ให้มันหลงอย่างเนี้ย ตอนี้เราก็พยายามเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างแต่จะไป น, นอนเท่านั้นะถ้าอยากไม่ยากจะให้มันหลับเป็นเสียแต่อยากให้มันหลับยังค่อยนอนนอนมันก็หลับทันทีแหละเพราะพระน้อยผ้าหนุ่มเลยโดยมากมันจะพอจะหัวยังไม่จดหมอนมันโกนเกาะเพราะงั้นได้เพรา ะ, ไไระนั้นขอให้พวกเราทุกๆอ ง, ง น, นะการทําความภาคเปลียนเนี่ยมันต้องมีหนักมีเบาได้มันต้องมีหนักมีเบ า, เบาจะเบาอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะหนักตลอดไปมันก็ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าหนักไปนะดีแต่โดยมากมันก็ไม่ไม่เอาแต่ถึงยังไงจะหนักจะเบายัางก็ตามสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเท่ า, าถึงจะหนักขนาดไหนนั่งภาวนาทั้งคืนแต่สติสัมปชัญญะของเราลอยนะมันก็เหมือนกับ น, นั่งคิดเมื่อลอยไปอย่างนั้นน่ะนั่งคิดนั่งเมื่นั่งลอย ไม่ใช่นั่งภาวนาแต่ว่าสติสัมปะชัญญะของเรารู้ใจของเราเราคิดนึกนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นี่แหละคือภาวนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาเมื่อจิตใจสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางวิปัชนาให้แยกแยะร่างกายสังขารแล้วก็จากนั้นก็แยกแยะเข้าไปสู่ใจของเราใจของเราอาศัยกาย อีกสักวันหนึ่งกานี่แตกแน่แต่ใจก็ต้องออกจากร่งางทางว่าเรายังไม่ได้พิจารณายังไม่เบื่อไม่น่ายจิตใจของเราก็จะไม่คลายยังติดข้องในกายมันก็นั่นแหละกิเลสมันก็อยู่ในนี้อยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในกายนะสรุปแล้วคือกิเลสอยู่ในใจแต่จะทํำยังไงจึงจะเห็นใจจึงจะเห็นใจตัวเอง มันนึกคิดในเรื่องอะไรนี่แหละมันต้องใช้สมาธิธ ร, รมนะถ้าพวกเรามีสมาธิดีแล้วกาหนดดูจิตดูใจกาหนดดูกายดูกายแล้วก็ดูใจดูใจแล้วก็ดูกายสลับไปสลับมาอย่างนั้นนะผลที่สุดก็หลายครั้งต่อหลายหนเราก็จะเห็นใจตัวเองจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะยึดมั่นทาไม ยึดมั่นร่างกายอีกสักวันหนึ่งมันก็จะไปเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วใจเอ้ยใจสอนใจตัวเองนะจากนั้นก็ใจก็รู้แจ้งรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะวันนี้ผมได้พูด ปารบวันมาคะบูชาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพระสงค์ข้อแรกว่าสัปปปาปัสสะาการนัง่งการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสระสูปสัมปดาการยังการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตะปริโยรปานังการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใส เอตังพุทธานสศาสนางพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคือทำคําสอนของเราตถาคตจากนั้นก็พระพุทธองค์เขบัญญัติวินัยสอนสวดพระปฏิโมกเป็นตัวอย่างจนถึงครั้งหนึ่งพระองค์เห็นพระสงฆ์ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระองค์ก็เลยหยุดแสดงพระปฏิโมกให้พระสงฆ์แสดงต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้ว ภาษาเรบุตรก็ไกล้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าจะทำยังไงศาสนาจึงจะยาวนานในอดีตตะการพระพุทธเจ้าองค์ไหนในอดีตตะการที่ศาสนาที่วางแล้วอยู่ได้ไม่นานพระพุทธองค์ก็สีขีเบจสูมีอยู่พระพุทธเจ้าสามองค์จากนั้นก็ ที่ศาสนาอยู่ได้นานก็คือคกุกุสันโธโกณนะัคคัมโนกัจโปลพระองค์ท่านเหล่านี้ได้อุตสาหแล้วก็ตั้งวินยัยตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาศาสนาของพระพุทธเจ้าสามพระองค์อยู่ได้นานะเนนั้นภาษาริบุตรท่านเกิดจับเกื้อนที่ได้ก็เลยกล่าวว่ารัตนาพระพุทธเจ้าให้บัญญัติวินยัยยังมีพระวินัยมาตั้งแต่ยุคนั้น มาถึงยุคนี้อย่างที่พวกเราได้สวดพระปฏิโมกนี่แหละคือศีลและวินยัยจากนั้นพระองค์ก็ได้สอนทางหลักธรรมเข้าสู่จิตใจอกีกคือให้พวกเรามีสมาธิธรรมแล้วก็มีปัญญามีสมถะและวิปัสสนาสอนพวกเราให้รู้จักปล่อยรู้จักวางร่างกายสังขารเป็นยังไงถึงจะ เลี้ยงอิ่มดีหมีผีมันขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออย่าหลงนะอย่าหลงร่างกายนะ่ยพระพุทธเจ้าสอนใจสอนใจพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะสตา ญ, ญาณโยมทุกคนพระสงฆ์ทุกรูปให้ตั้งใจภาวนาการภาวนาให้มีหนักมีเบาอย่างที่ผมได้กล่าวได้แนะนำนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลา ตอนนี้ไปนั่งสมาธิเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะนั่งไม่นานนะได้จากนั้นไปพวกเราผู้ใดกลับไปถึงกุฏิแล้วจะเล่นความภาคความเพียรเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตลอดทั้งคืนก็ยังได้นะวันนี้นะตอนนี้ไปนั่งสมาธิเท่านี้